จิตตนครสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆะปรินายก จิตนครนครหลวงของโลกจะว่าถึงจิตนครตามพระพุทธภาษิตว่าพึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนครจิตนครเป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตาน่าจะคล้ายกับเมืองลับแลแต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้เสียเลยจิตนครมีทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ทั้งมีการติดต่อกันอยู่เสมอ น่าจะไม่ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่างๆได้ทั่วโลกโดยทางอากาศทางบกและทางน้ำจิตนครเป็นเมืองที่ไม่สงบนักต้องทำสงครามอยู่เสมอเพราะมีโจรผู้ร้ายฆ่าศึกศัตรูอันจำต้องป้องกันปราบปรามโดยไม่อาจประมาทได้เลยคล้ายกับเมืองทั่วๆไปจิตนครเป็นนครหลวงของโลกเป็นแหล่งเกิดแห่งสุข ความเจริญความเสื่อมสมบัติวิบัติแห่งโลกทั้งสิน้นจะกล่าวว่าจิตนครเป็นแหล่งเกิดแห่งนคร น, นิพพานทุกอย่างก็น่าจะไม่เกินไปแต่จิตนครเป็นนครหลวงลับแผลมองไม่เห็นด้วยตาอยู่นั่นเองจะว่าตั้งอยู่ในแดนสวรรค์วิมานชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี้เอง แต่เป็นที่ซึ่งคนทั้งปวงไม่ค่อยจะสนใจเที่ยวดูชมที่เรียกว่าไปทัศนาจรคนทั้งปวงสนใจไปเที่ยวดูชมเมืองที่เห็นด้วยตาฟังได้ด้วยหูมากกว่าแม้จะไกลสักเท่าไหร่ก็พยายามไปพยายามไปในโลกนี้รอบแล้วก็พยายามไปในโลกอื่นดังที่พยายามไปดวงจันทร์กันมาแล้วน่าจะพยายามไปดูจิตรนคร ซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลกหรือของทุกๆคนถึงจะเป็นนครรับแลไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อก็อาจไปดูได้ด้วยตาใจและจิตตะนครนี้อยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ที่สุดเพราะตั้งอยู่ในจิตของทุกคนนี้แหละเพียงทำความสงบจิตดูจิตของตนก็จะเห็นจิตตะนครรางๆซึ่งอาจยังไม่เห็นว่าจะเป็นนครที่น่าดูตรงไหน เพราะเมื่อดูก็จะพบแต่ความคิดที่ฟุง้งซ่านกับอารมณ์คือเรื่องต่างๆจนไม่อยากจะดูสู่ดูโทรทัศน์หรือไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรไม่ได้มานั่งดูจิตใจของตนเองไม่น่าจะสนุกที่ตรงไหนเปรียบจิตนากรกับเมืองรับแรได้ก็เห็นจะตรงที่ว่ากันว่าเมืองรับแรนั้นคนที่เคยพลัดเข้าไปพบได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือน และผู้คนหญิงชายสวยงามน่าดูชมกลับออกมาแล้วก็จำทางกลับไปไม่ได้อีกแต่ไม่ได้เที่ยวบอกเล่าใครๆกลับออกมาแล้วก็จำทางกลับไปอีกไม่ได้แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใครๆถึงความสวยงามน่าดูน่าชมในเมืองรับแลนั้นและชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าวๆบรรดาผู้ที่อยากเห็นเมืองรับแล ก็พากันเดินทางแต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว่าสวยงามเหลือเกินนั้นพบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาที่ไม่น่าชมอย่างไรสายังรุงรังตาศีอีกด้วยนั่นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่เมืองลับแลให้ถูกต้องจึงยังไม่ได้ชมความงามวิ จ, จิตของเมืองลับแลการจะไปชมจิตตนาครก็เช่นกันถ้ายัางเดินทางไปไม่ถึงจิตตนคร ก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตนครจะได้พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่งยุ่งทั้งหลายที่ไม่น่าดูไม่น่าชมแต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ้ําแต่จิตนครจริงๆนั้นไม่เป็นเช่นนั้นจิตนครจริงๆมีความพิสดารน่าดูน่าชมท่านผู้เข้าถึงนครนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะนำให้ใครๆทั้งหลายพยายามไปให้ถึงจิตตะนครโดยไปตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้แล้วเช่นกันบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายด้วยความตั้งใจจริงนับได้ว่าได้เริ่มก้าวเข้าสู่ทางที่จะนาไปถึงจิตตะนครได้แล้วแม้มีความตั้งใจจริงพยายามตลอดไป ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทางถึงจิตนครได้เห็นความวิจิตพิสดารของนครนั้นด้วยตนเองลักษณะจิตนครอันลักษณะแห่งจิตนครนั้นก็เช่นเดียวกับนครโบราณทั้งหลายกล่าวคือมีป้อมประการมีประตู6ประตูมีถนนสแพร่งมีนครสามีคือเจ้าเมือง เจ้าเมืองแห่งจิตนากรสถิตยอยู่ตรงที่รวมของถนนสี่แพร่งและมีนามว่าวิญญาณหรือจิตตะมีประชาชนชาติต่างๆไปมาหาสู่เมืองนี้ก็มากพากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองนี้ก็มีมาพักอยู่ชั่วคราวก็มีมาเที่ยวทัศนาจรแล้วก็ไปก็มีเพราะประตูเมืองทั้ง6มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน จะปิดก็เมื่อเจ้าเมืองหลับเมื่อเจ้าเมืองยังไม่หลับก็เปิดประตูรับอยู่เสมอไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไรถึงจะค่า ม, มืดก็จุดไฟสว่างสวัยไม่ยอมแพ้ความมืดเหมือนอย่างกรุงเทพมหานครในยามราตรีนั่นเองจิตนครจึงเป็นเมืองที่พรั่งพร้อมด้วยผู้คนและสิ่งต่างๆหลายหลากมากประการเป็นต้นว่า พรั่งพร้อมไปด้วยรูปหลากหลายอยากจะดูอะไรก็มักจะมีให้ดูพรั่งพร้อมไปด้วยเสียงหลากหลายอยากจะฟังอะไรก็มักจะมีให้ฟังพรั่งพร้อมไปด้วยกลิ่นหลากหลายอยากจะดมอยากจะลิ้มหรือจะบริโภครสเช่นไรถ้าร่างกายไม่เป็นอมบอาวเป็นร่างกายที่สมประกอบอยู่ก็มักจะสมประสงค์ทั้งพรั่งพร้อมไปด้วยเรื่องราวต่าง สำหรับบำรุงบำเรอใจหลากหลายไม่มีหมดสิน้นเมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้จะมีเรื่องเสนอสนองทางใจตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับไปไม่ไม่มีเวลาว่างเว้นดูก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยหรือจะกลุ้มใจตายหรือจะกลุ้มเป็นบ้าเพราะต้องพบเรื่องต่างๆมากมายก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกันแต่เหนื่อยแล้วก็พักก็นอน ที่กลุ่มใจตายหรือที่กลุ่มเป็นบ้าไปก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะจิตนารมีสิ่งต่างๆพรั่งพร้อมประชาชนชาติต่างๆจึงพากันมาจากที่ต่างๆทั่วโลกและจิตนารนี้แม้จะมีลักษณะเป็นอย่างเหมือนโบราณก็หาเป็นเมืองโบราณหรือเป็นเมืองล้าสมัยใหม่แต่เป็นเมืองที่ทันสมัยมีไฟฟ้ามีวิทยุมีโทรทัศน์มีสิ่งต่างๆ เหมือนอย่างเมืองที่ทันสมัยทั้งหลายรวมความว่าเมืองในปัจจุบันนี้มีอะไรจิตตนครก็มีสิ่งเหล่านั้นครบถ้วนและอันที่จริงจะมีมากกว่าเมืองอื่นๆเสียอีกเพราะยังมีสิ่งวิเศษต่างๆอยู่ในจิตตนคร อ, อีกมากที่คนทั่วไปยังไม่รู้ไม่เห็นเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลาย ตามที่พนันนาถึงความพรั่งพร้อมต่างๆของจิตนครนี้น่าจะเห็นว่าจิตนครเป็นนครที่น่าเป็นสุขสนุกสบายซึ่งก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นสุขสนุกสบายอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีทุกข์ร้อนภัยพิบัติอยู่มากทั้งโดยเปิดเผยทั้งโดยซ่อนเร้นอันเกิดจากภัยธรรมชาติก็มีเกิดจากภัยพลเมืองของจิตนครนั้นก่อขึ้นก็มี ทั้งเจ้าเมืองเองบางคราวก็มีความหลงเข้าใจผิดคบคนผิดใช้คนผิดก็ยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนระส่ำระสายและจะเป็นดังนี้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรดนั่นก็คือจนกว่าจะรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไประงับดับความวุ่นวายเดือดร้อนทั้งหลายที่ย่อมมีอยู่ประจำจิตตนครทุกแห่ง อันพระธรรมคำส่องสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวที่สามารถใช้เป็นเครื่องปราบเครื่องขับไล่เครื่องกำจัดเป็นดาเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่น ว, า, นวายของจิตตนครทั้งหลายได้เราทุกคนเป็นเจ้าของจิตตนครด้วยกันทั้งนั้นเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปปราบไปไล่ไปกาจัดเหตุแห่งความเดือดร้อนไม่สงบสุขในนครของเรา บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตตนครที่กําลังพยายามจะทํานครของตนให้เป็นนครแห่งความร่มเย็นเป็นสุขแม้ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายบ้างก็ไม่มากมายเท่านครของบรรดาผู้ยังไม่สนใจกับการบริหารจิตเสียเลยภายแห่งจิตตนครจิตตนครก็เช่นเดียวกับนครทั้งหลาย คือเป็นนครที่มีภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติแห่งจิตตนครก็คือภัยที่เกิดจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนี่แหละดูก็คล้ายๆกับภัยธรรมชาติของโลกเช่นบางคราวดินถลม่มบางคราวไฟไหม้บางคราวลมพายุเกิดน้อยหรือมากเป็นคราวๆถ้าเป็นไปโดยปกติ ก็ไม่เป็นไั่ทั้งกลับเป็นเครื่องเกื้อกูลชีวิตของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเดรัฉานเพราะสัตว์โลกทั้งหมดต้องอาศัยธาตุทั้งสีน่นี้เป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันต้องบริโภคอาหารเช่นข้าวน้ำต้องมีความอบอุ่นต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบำรุงเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะ ชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ก็ต้องอาศัยธาตุทั้งสี่บำรุงเลี้ยงให้ดำรงอยู่ภายของจิตนครก็เกิดจากธาตุทั้งสี่เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจิตนครมีถนนสีแนนส่แพร่งมีนครสามีคือเจ้าเมืองที่สถิตยอยู่ตรงที่รวมของถนนสี่แพร่งท่านผู้รู้ได้กล่าวบอกไว้ว่าถนนสี่แพร่งนั้นคือ ธาตุดินน้ำไฟลมเจ้าเมืองคือจิตสถิตอยู่ตรงที่รวมของธาตุสีนี้เองฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสียังรวมกันอยู่เป็นปกติที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติถ้าธาตุทั้งสีเกิดผิดปกติเช่นมีจำนวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราที่ควรมีหรือธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากเกินไป จิตนครนก็ระส่ำระสายไม่เป็นสุขทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุขเหตุที่ทำให้ท่าทั้งสี่แห่งจิตนครแปรปรวนนั้นบางทีก็เกิดจากเจ้าเมืองและพลเมืองทําขึ้นเองเช่นพากันรื่นเริงสนุกสนานเกินไปไม่คอยดูแลธนุบารุงทางสีแพร่งคือท่าทั้งสี่ไว้ให้ดี ก็เหมือนอย่างถนนหนทางในบ้านเมืองเรานี้แหละถ้าไม่หมันทนุบำรุงคือซ่อมแซมตกแต่งอยู่เสมอแล้วก็จะเสียหายไปโดยลําดับบางทีเกิดจากธรรมชาติเช่นบางคราวลมกําเริบทําให้จิตตนคการวุ่นไหวบางคราวไฟกําเริบทําให้ร้อนรุ่มคล้ายกับเกิดลมพายุเกิดไฟไหม้ในบ้านเมืองเรานี้แหละ ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็หมดผาสุกภายเช่นนี้ชาวจิตนครเรียกกันว่าภายพยาธิอีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่าภายชราคือถนนสีแพร่งนั้นเก่าแก่ลงไปทุกวันแสดงความชำรุดทรุดซอมให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองต่างก็พากันแก้ไขซ่อมแซมแปลงต่างๆอย่างสุดฝีมือบางทีก็ใช้ ตัดต่อตกแต่งบางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้างให้ดำบ้างให้ขาวบ้างเป็นต้นสุดแต่จะเห็นว่าควรจะตกแต่งอย่างไรต่อสู้กับภัยชาราที่มาเกิดขึ้นแก่จิตนครก็พอแก้ไขปะทะประทังไปได้แต่ถนนสี่แพร่งนี้ก็สุดชำรุดลงอยู่เรื่อยๆเจ้าเมืองเองที่ดารงชีวิตอยู่ตรงที่รวมของถนน ก็เริ่มอ่อนเพลียเมื่อยล้าไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนยังอีกภัยหนึ่งที่ชาวจิตนครกลัวกันนักหนาก็คือภัยมรณะซึ่งจะทำลายถนนสี่แพร่งของจิตนครเท่ากับเป็นการทำลายเมืองกันทั้งหมดทีเดียวและต่างก็รู้ว่าภัยนี้จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ก็พากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัยผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้พยายามศึกษาปฏิบัติให้รู้จักวิธีจัดการกับภัยดังกล่าวแล้วทั้งหมดให้ได้ดีที่สุดในยามเมื่อภัยดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับจิตตนครของตนของตนผู้บริหารจิตคือผู้ศึกษาธรรมและธรรมนั้นท่านเปรียบเป็นร่มใหญ่ที่กันแดดกันฝนได้หรือจะกล่าวอีกอย่างธรรมก็คือเครื่องป้องกัน ร, รักษาเจ้าเมืองแห่งจิตตนครให้ผลภัยทั้งหลายดังกล่าวแล้ว แม้ภัยจะเกิดขึ้นหนักหรือเบาเพียงไรเจ้าเมืองที่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาก็ย่อมไม่กระทบกระเทือมเพราะภัยนั้นหนักเกินไปส่วนเจ้าเมืองที่ไม่มีธรรมจะต้องได้รับแรงกระทบกระเซือนเต็มที่เป็นธรรมดากเหมือนคนไม่มีร่มใหญ่เดินตากแดดตากฝนก็ย่อมร้อนย่อมเปียกส่วนคนที่มีร่มใหญ่แม้จะมีฝนตกแดดออก พยายามพ้นจากความเดือดร้อนความเปียกได้โดยควรการมาบริหารจิตหรือการมาศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งควรกระทำทั่วกันแม้ปรารถนาความพ้นภัยทั้งปวงผังเมืองแห่งจิตตนครจิตตนครมีถนนสายสําคัญสี่สายที่มาบรรจบกัน แต่ไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียงสีสายเท่านั้นยังมีถนนที่ตัดจากถนนสีสายนั้นออกไปในที่ต่างๆอีกมากมายทั่วทั้งเมืองสําหรับเป็นทางคมนาคมของพลเมืองและสําหรับขนลำเลียงอาหารข้าวน้ําสินค้าต่างๆไปเลี้ยงพลเมืองได้โดยสะดวกทั้งเมืองมีไฟฟ้าและน้ําใช้สมบูรณ์ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจ่ายส่งน้ําก็เรียบร้อย เพราะมีสายไฟต่อทั่วไปทุกซอกเล็กตรอกน้อยเปิดสว่างอบอุ่นอยู่เสมอมีคลองส่งน้ำและมีท่อน้ำใหญ่เล็กทั่วไปเช่นเดียวกันมีลมพัดผ่านได้ทั่วไปทั้งหมดไม่อับลมแผ่นดินก็ชุ่มชื้นเหมาะเป็นที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวงและเมืองนี้จัดระบบเรื่องปากท้องของพลเมืองทั้งหมดไว้ดีมากน่าจะไม่มีเมืองไหนทาได้เหมือน คือตั้งโรงครัวใหญ่ไว้สำหรับเลี้ยงพลเมืองทั้งหมดไว้เพียงแห่งเดียวเรียกว่าเป็นท้องของเมืองและมีปากของเมืองเพียงปากเดียวสำหรับลำเลียงอาหารเข้าสู่ท้องโดยวางท่อจากปากเมืองเข้าสู่ท้องของเมืองซึ่งเป็นโรงครัวใหญ่ครั้นปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยงพลเมืองทั้งเมืองทางท่ออีกเหมือนกัน ไม่ต้องใช้รถหรือพาหนะอะไรบรรทุกทั้งนั้นในคราวที่หาอาหารได้ไม่พอเพียงก็เฉลี่ยอาหารไปเลี้ยงกันทั่วทั้งเมืองเท่าเท่ากันมีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเท่าเท่ากันไม่มีก็อดเหมือนกันทั้งเมืองพลเมืองทั้งหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากันทั้งไม่มีใครกินดีหรือเลวต่างกันต่างกินเหมือนเหมือกันทั้งหมด นี่เป็นระบบการเลี้ยงพลเมืองของจิตตนครระบบการถ่ายของเสียออกไปก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกันมีที่เก็บของเสียมีที่เก็บน้ำทิง้งและมีท่อระบายออกทั้งของเสียและน้ำทิง้งและมีท่อระบายเล็กๆอีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งเมืองน่าสังเกตว่าเมืองนี้ใช้ท่อเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งเมืองมีท่อฝังอยู่ทั่วไปหมดทั้งใหญ่และเล็กดูหน้าพิสศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้นนอกจากนี้ยังมีโรงงานต่างๆอีกมากมายเช่นโรงงานปะภาสะปอดโรงงานหัตถยะหัวใจโรงงานวกะไตโรงงานยากนะนตับปิหกะมมามเป็นต้น ซึ่งต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่มีหยุดด้วยเครื่องจักรพิเศษเพื่อความดำรงอยู่แห่งจิตนคกรน่าสังเกตว่าโรงงานเหล่านี้สามารถทำงานได้ทนทานที่สุดเพราะทำไม่มีเวลาหยุดต่างจากโรงงานอื่นๆทั่วไปซึ่งยังต้องมีเวลาหยุดพักและว่าถึงขนาดของโรงงานในจิตนครแต่ละโรงก็เล็กแต่สามารถทางานได้ผลดีมาก อย่างที่ใครๆที่ไปเห็นก็คิดไม่ถึงว่าทำไมจึงทำงานได้ถึงเพียงนี้รายละเอียดเกี่ยวกับจิตนครยยังมีอีกและจะได้นำมากล่าวถึงในรายการบริหารทางจิตครั้งต่อไปแต่ก่อนจะจบรายการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่วันนี้ขอย้ำว่าในบรรดาสิ่งประณีตพิศดานต่างๆแห่งจิตนครนั้นนครสามีหรือเจ้าเมือง เป็นความสำคัญที่สุดไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าและเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็คือจิตนี้เองหรือใจนี้เองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสาเร็จด้วยใจคือการกระทำใดๆก็ตามคำพูดใดๆก็ตามจะดีหรือชั่วจะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการทำลายจิตตนครก็ย่อมเนื่องมาจากนครสามีหรือจิต หรือใจนั่นแหละเป็นสาคัญทนครสามีดีหรือถ้าใจดีการพูดการทำอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่ อ, ย iation, อมดีย่อมเป็นการส่งเสริมจิตตนักรถ้านครสามีไม่ดีคือถ้าใจไม่ดีการพูดการทำอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมไม่ดีย่อมเป็นการทาลายจิตนัรบรรดาผู้บริหารจิต ทั้งหลายคือผู้มาพยายามทําเจ้าเมืองแห่งจิตนครของตนของตนให้ดีเพื่อให้เกิดผลสืบเนื่องไปถึงการพูดดีทดําดีต่อไปด้วยจึงนับว่าเป็นผู้ไม่กําลังทําลายจิตนครของตนแต่กําลังพยายามส่งเสริมซึ่งนับเป็นการกระทําที่ชอบที่จะนําให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในจิตนครของตนสืบไป ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครจิตตนครมีระบบสื่อสารติดต่อกันโดยทางต่างๆหลายทางและมีจุดรวมเป็นที่รับข่าวสารทั้งปวงเพื่อรายงานเกี่ยเจ้าเมืองไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จุดไหนของเมืองเจ้าเมืองจะรับทราบได้ทันทีทางระบบสื่อสารเหล่านี้โลกในปัจจุบันนี้มีระบบสื่อสารที่วิเศษต่างๆเป็นอันมากมีการไปรณศนี การโทรเลขโทรศัพท์มีวิทยุมีโทรทัศน์มีเรดาร์มีเครื่องมือในการติดต่อตั้งแต่บนพื้นดินจนถึงลอยเป็นดาวเทียมอยู่ในอากาศทําให้คนเราที่อยู่คนละมุมโลกพูดกันได้เห็นกันได้คล้ายกับอยู่ใกล้ใกลกันแค่มือเอื้อมถึงเมื่อคราวที่คนไปถึงดวงจันทร์เมื่อไม่นานมานี้ก็ติดต่อพูด ก, กันกับคนในโลกนี้ได้ ทั้งที่อยู่ไกลแสนไกลจากกันและกันการสื่อสารในจิตนครก็น่าจะไม่ล้าสมัยกว่าในโลกดังกล่าวและมีระบบอย่างที่วิเศษพิสดารกว่าอย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้จิตนครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นในระบบการสื่อสารชั้นนอกนั้นมีระบบตาเมืองมีหน้าที่เป็นดวงตาสาหรับ ดูสิ่งต่างๆคล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์มีระบบหูเมืองสำหรับฟังเสียงต่างๆคล้ายกับเครื่องวิทยุมีระบบจมูกเมืองมีหน้าที่สำหรับดมกลิ่นต่างๆมีระบบลิ้นเมืองสำหรับลิ้มรสต่างๆมีระบบกายเมืองสำหรับรับสิ่งต่างๆที่มาถูกต้อง ระบบต่างๆเหล่านี้แยกออกจากกันเป็น5ส่วนต่างมีสายที่ละเอียดยิบมากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข้าไปสู่ระบบชั้นในซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารทั้งหมดคล้ายกับสายโท ร, ทรศัพท์แต่ละเอียดพิสดารกว่ากันมากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบใจเมืองหรือสมองเมือง มีหัวหน้าควบคุมอยู่ที่ระบบศูนย์กลางชื่อว่ามโนในสมัยปัจจุบันนี้พวกแพทย์มักเรียกกันว่าสมองเป็นหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารแห่งจิตนครทั้งหมดและมีหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสารภายนอกทั้งหเรียกว่าประสาทหรือประสาททั้งหแต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามชื่อของระบบการดังนี้คนที่หนึ่งชื่อจักรุประสาท เป็นหัวหน้าระบบตาเมืองคนที่สองชื่อโสตประศาสตร์เป็นหัวหน้าระบบหูเมืองคนที่สามชื่อคานประสาสตรเป็นหัวหน้าระบบจมูกเมืองคนที่สี่ชื่อชิวหาประสาสตรเป็นหัวหน้าระบบลิ้นเมืองคนที่หชื่อกายะประสาสตร์เป็นหัวหน้าระบบกายเมืองประศาททั้งห้านี้เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตนไม่ก้าวไก่กัน คนไหนได้รับข่าวสารอะไรแล้วก็รีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือมโนที่จุดศูนย์กลางอันเป็นจุดรวมทันทีฝ่ายมโนเมื่อได้รับรายงานจากระบบภายนอกก็รายงานแก่เจ้าเมืองในทันใดนั้นเจ้าเมืองก็ได้ทราบข่าวสารต่างๆทันทีแม้จะสถิตอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นที่รวมแห่งถนนสีสายดังกล่าวแล้วแต่เมื่อได้ทราบข่าวสารแล้ว ก็เหมือนอย่างได้ออกไปเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งภายนอกต่างๆด้วยตนเองวิเศษกว่าระบบสื่อสารทั้งปวงของโลกไม่ได้ฟังเกี่ยวกับระบบสื่อสารอันละเอียดพิสดารของจิตตะนครแล้วบรรดาผู้มาบริหารจิตควรจะได้พิจารณาให้ประจักษ์ในความจริงประการหนึ่งคือความจริงที่ว่า ยิ่งการสื่อสารหรือคมนาคมติดต่อเจริญออกไปกว้างไกลเพียงใดในโลกเรานี้ผู้คนก็ยิ่งต้องวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยเพียงนั้นสมัยก่อนเมื่อการสื่อสารหรือการคมนาคมยังไม่เจริญมีใครไม่กี่คนที่เดินทางออกไปพ้นบ้านเมืองของตนมาบัดนี้การคมนาคมเจริญขึ้นมากผู้คนมากมายพากันเดินทางไปต่างประเทศต้องสิ้นเปลือง ต้องเหน็ดเหนื่อยไปตามกันบางคนบางพวกก็ไปตกทุกข์ได้ยากแม้ไปต้องโทษจองจําอยู่ในต่างประเทศก็มีเรียกได้ว่าความลําบากติดตามความเจริญของการสื่อสารการคมนาคมเป็นอันมากด้วยเหมือนกันระบบสื่อสารของจิตตนครก็เช่นกันยิ่งเจริญเพียงใดเจ้าเมืองคือจิตแต่รับการติดต่อรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆมากเพียงใด ก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์ลำบากวุ่นวายเพียงนั้นนอกเสียจากว่าเจ้าเมืองคือจิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควรว่าข่าวสารเหล่านั้นเป็นสักแต่เรื่องชั้นนอกเท่านั้นถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ปิดที่คือรับเข้าไปเก็บไว้ที่ชั้นในคือจิตก็ย่อมจะทําให้หนักให้แน่นไปหมดหาที่ว่างที่โปรง่งที่สบายไม่ได้ หมดความเบาสบายหมดความเป็นสุขกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้องรู้ว่าเรื่องข้างนอกต้องปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องอยู่ข้างนอกต้องไม่เข้าไปยึดเอาไปเป็นเรื่องข้างในพระพุทธตรรมรัตเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งปวงควรให้ความสนใจปฏิบัติตามให้ได้พอควรก็คือพระพุทธตํรรัที่ว่าสิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงจะนำไปสู่ความสงบสุขอันควรเป็นย่อปรารถนาของทุกคนระบบสื่อสารแห่งจิตนครมีความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์สื่อสารที่ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกแม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อนจึงจะถึงเจ้าเมืองแต่ก็รวดเร็วมากคือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใดนั่นเอง ความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง5ถึงปลายทางชั้นในคือมโนนั้นมีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกที่ทอดจากยอดไม้ถึงแผ่นดินคือเมื่อนกบินมาจับบนยอดไม้เงาของนกจะทอดลงถึงพื้นดินทันทีสื่อสารที่ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันทีฉะ น, นั้นและมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที ข่าวสารอันใดที่ถึงมโนแล้วไม่มีที่มโนจะปกปิดเอาไว้จะรายงานทันทีทั้งหมดแต่ก็มีเหตุบางอย่างที่ทำให้ข่าวสารจากภายนอกเข้าไปไม่ถึงคือบางคราวเจ้าเมืองพิจารณาข่าวสารเก่าต่างๆมโนต้องคอยรายงานเรื่องจากแฟ้มเก็บเอกสารต่างๆอยู่ตามที่เจ้าเมืองต้องการมโนจึงไม่ว่างที่จะรับข่าวสารใหม่ ที่ส่งทยอยกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมนโนไม่ว่างที่จะรับเช่นนั้นข่าวสารเหล่านั้นก็จะเข้าไม่ถึงเจ้าเมืองจนกว่ามนโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านั้นเจ้าเมืองจึงจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆต่างๆต่อไปตามปกติมนโนซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่เพียงผู้เดียวนอกจากเป็นหัวหน้ารับ สื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5้าแล้วยังเป็นเหมือนเลขานุ ก, การของเจ้าเมืองมีหน้าที่รวบรวมข่าวสารที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างเก็บเข้าแฟ้มไว้สำหรับเจ้าเมืองเรียกหาและเจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอมโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเรื่องบางคราวเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องราวต่างอยู่นานเป็นเหตุให้มโนไม่ว่างและไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นาน ในข่าวสารบางอย่างที่ส่งเข้ามาอาจแรงอาจทําให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเรื่องเก่าๆก็มีเช่นเสียงดังที่ระบบหูเมืองรับเข้ามาคลื่นของเสียงเช่นนี้แรงมากทําให้กระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโนให้ว่างมโนจึงรับข่าวสารของเสียงนั้นรายงานแก่เจ้าเมืองได้บางคราวก็รายงานด้วยว่า จำเป็นต้องทำให้เสียงดังเช่นนั้นเพื่อให้ถึงเจ้าเมืองคล้ายกับร้องเรียกปลุกคนหลับเรียกเบาๆไม่ตื่นก็ต้องเรียกดังๆในขณะที่เจ้าเมืองตรวจตราเรื่องต่างๆเพลินอยู่เช่นเดียวกันเจ้าเมืองจะไม่เห็นจะไม่ได้ยินอะไรเพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามารายงานให้ทราบจึงต้องใช้กระแสะคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้หยุดคิดอะไรเพลินๆเสีย และรับข่าวสารปัจจุบันสักทีมนโนเป็นผู้ทำงานมากกว่าหัวหน้าระบบสื่อสารภายนอกทั้งห้าแม้ในขณะที่ชาวจิตตะนครหลับประสาททั้งหพักหลับกันหมดแต่มนโนก็ยังไม่หลับเพราะเจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับยังเรียกหามนโนมารายงานเรื่องราวต่างๆกันอีกโดยเฉพาะดังที่เรียกกันในภาษาจิตตนครว่าฝันเจ้าเมืองชอบฝัน อยู่กับมนโนเสมอมนโนจึงมีเวลาพักจริงๆวันหนึ่งไม่นานนักเพื่อให้ง่ายเข้าจะขอเปรียบเจ้าเมืองที่รับข่าวสารจากมนโนไปสะสมไว้มากมายไม่หยุดยัง้งกับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียวจะใช้จุ่มลงไปในสีต่างๆกันสีนั้นบ้างสีนี้บ้างโดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรงแช่น้ามันล้างสีออกสีบ้างเลยผลจะเป็นเช่นไร ทุกท่านย่อมนึกได้ถึงแปลงทาสีอ น, นั้นว่าต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ผลดีจริงคือทาสีแดงก็จะไม่ได้แดงแท้จะมีสีอื่นปนอยู่ด้วยทาสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้เพราะจะมีสีอื่นปนด้วยนั่นเองทาสีอะไรก็จะไม่เป็นสีนั้นจริงๆทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้เมื่อจะใช้แปลงอันเดียวทาหลายสี จึงต้องมีน้ำมันไว้แช่แปลงให้สีออกเป็นพักๆไปจะได้ทาสีให้เป็นสีนั้นแทๆ้ๆไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปทําให้ไม่เป็นสีที่ต้องการเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกันหากให้รับเรื่องราวจากทวารทั้งห้าที่ผ่านมนโนเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่มีเวลาให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเรื่องแต่ละเรื่องออกเสียให้พ้น เหมือนเขาเอาแปลงทาสีลงแช่น้ำมันเจ้าเมืองก็จะสกปรกลเลอะเทอะไม่ผิดแปลงที่ทาสีไม่ได้แช่น้ำมันเลยแต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายสีนั่นเองอันเรื่องทั้งหลายที่เข้าสู่จิตย่อมก่อให้เกิดอารมณ์หรือกิเลสเป็นธรรมดาจิตรับเรื่องไว้มากเพียงไรอารมณ์หรือกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้น ทำให้จิตสกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้กําลังพยายามปฏิบัติต่อจิตของตนเหมือนช่างทาสีปฏิบัติต่อแปรงสําหรับทาสีคือพยายามล้างสีที่จับให้ออกไปเสมอๆความสกปรกแม้มีบ้างก็จะไม่มากมายจิตก็เช่นกันเมื่อเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์มีกิเลสเศร้าหมองเป็นธรรมดา แต่ถ้าพยายามใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทานศีลภาวนาเข้าขัดเกลาไม่เสมอกิเลสเครื่องเศร้าหมองก็จะไม่ท่วมท้นจนเกินไปแต่จะค่อยลดน้อยลงได้ทุกทีโดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าเมืองแห่งจิตนครนั่นเองจะรู้ด้วยตนเองจิตที่มีอารมณ์หรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองน้อยย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสมีความสุขมาก ส่วนจิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมากย่อมเป็นจิตที่หม่นหมองมีความสุขน้อยเจ้าเมืองแห่งจิตตนครทุกคนย่อมรู้จักตัวของตัวเองได้ดังนี้